ออพรรษาแล้วนะรับกระถินแล้วนะสาสมก็เงี้ยงเงาลงนะมีคนอยู่น้อยลงนะตอนในพรรษาก็มีพระจ้าพรรษาหกรูปคอยรักช่วงหลังๆก็มีพระสัตหะมาช่วยช่วยทำงานนะมีนักปฏิบัติธรร ม, มปฏิบัติธรรม ช่วงงานกระทินก็คนเยอะเยอะที่สุดเหมือนคล้ายๆงานเทศกาลนะก็มีคนมาเยอะแต่หลังจากนั้นก็จะค่อนข้างคนน้อยลงล ะ, ะก็มักจะเป็นแบบนี้นะในแทบทุกที่ก็ดังออกพรรษาก็คนก็จะน้อยลงไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาลาว่า จะลึกได้ตอนอยู่ที่สุกโตในปีแรกบางทีสุกโตแม้พระจัมบาลายเยอะก็จริงนะแต่ก็มีบางช่วงที่มีพระอยู่แค่รูปสองรูปเพรานั้นนะอยู่พระที่เหลือก็ศึกกันไปบ้างหรือว่าไปที่อื่นกันบ้างนะเหลืออยู่เพียงแค่รูปสองรูปนะจำได้เคยเป็นพระใหม่นะก็ต้อง พาให้พรญาติโยมก็มีหรือต้องเทศสอนญาติโยมตอนเช้านีไม่สอนตอนทำวัดก็เป็นธรรมเนียมที่สุกโต่ก็ก่อนก่อนเช้าก็ต้องให้ธรรมะญาติโยมนิดนึงนะอตอนนั้นจะเป็นพระใหม่อยู่ก็ยังจําเป็นต้องทําอยู่ก็มีนะเพราะว่ามันคนมันน้อยนะอืม ที่นี่เองก็คงคล้ายๆกันนะคนก็ไม่มากนะแต่ไม่ว่านะใครจะอยู่ใครจะไปนะหรือว่าเราจะอยู่เราจะไปเนาะกิจที่เราต้องทำก็ก็ยังเหมือนเดิมเนาะกิจนะในการประพฤติพรหมจรรย์นะความว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะถ้าเป็นนักบวชก็คือ ประพฤติพรหมจรรย์ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะข้อนะรักษานะพระวินัยตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมนะหรือถ้าเป็นคารวานะเราอาจจะถือศีลที่น้อยลงไปนะแต่เราก็ยังเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่เหมือนกันพอเราอยู่ในวัดนี้นะการ เกี่ยวข้องกับการมรดกุลต่างๆก็ต้องลดน้อยลงไปนะ น, นี้คือการประพฤติพรหมอิจารจริ์จริงเนะี่ยคือจะเรียกว่าการมีชีวิตที่ประเสริฐนะชีวิตที่ประเสริฐก็คือเราประเสริฐทางกายวาจาใจนะกายวาจานะีก็เรียบร้อยก็สํารวมขึ้นนะก็ระมัดระวังมากขึ้นนะ จิตใจเองก็ให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันความรู้สึกหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจเนาะถ้าใจมันคิดนึกปรุงแต่งเราไม่ทันมันมันก็จะมันก็จะบงการนะมันก็จะบงการหรือมันก็จะครอบนามันก็จะชักนําเราไปในทางที่ที่เสียหายนะ การดูทันความคิดการเห็นความคิดเนะี่ยก็คือต้นตอ่อของการกระทําต่างๆนะเพราะว่าจิตมันคิดก่อนนะมันถึงเกิดการกระทําเกิดคําพูดนะถ้าเราเห็นถ้าเราทันอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะยั้งได้นะอะไรที่ดีก็ทำอย่างมีสติเหมือนกันนะไม่ทําแบบขาดสติ เหมือนบงคนอยากจะช่วยคนอื่นนะแต่ช่วยอย่างขาดสติก็มีเห็นคนอื่นเขานะทุกนะเราอยากจะช่วยแต่บางทีเราก็ช่วยแบบรีบร้อนรีบโดนขาดสติบางทียิ่งช่วยอาจจะยิ่งเพิ่มนะความทุกข์ให้กับเขาก็ได้เหมือนหลายทีเขาจะเตือนกันอย่างเช่นสมมติเวลา เกิดอุบัติเหตุอะไเนี่ยเช่นรถชนกันบาทีอาจจะมีพลเมืองดีนะหวางดีไปช่วยนะแต่บางทีไปช่วยจับไปช่วยพลิกไปช่วยอะไรบางเคสเขาเยนะเขาไม่สมควรต้องขยับขยื่อนหรือว่าถ้าขยื่นก็ต้องมีการบล็อกหรือว่ามีการจับในท่าที่ที่ถูกต้องนะกระดูกจะได้ไม่เคลื่อนหรือเลือจะได้เอนะ ไม่ออกเยอะเกินไปเลยประมาณนะั้นแต่บางทีก็มีคนเมืองดีไปช่วยยิ่งช่วยกับยิ่งสุดตรงไปอีกก็มีอันนีถ้ถ้าช่วยแบบขาดสติแล้วก็ขาดความรู้นะมันก็ต้องมีทั้งความรู้แล้วก็ทั้งสติประกอบกันเนาะเวลาเราการเวลาเราทําการงานเราเกี่ยวข้องกับกิจอะไรเนะี่ยมันก็ต้องมีสองส่วนคือความรู้นะ แล้วก็สติเนะี่ยบางทีมีแต่จิตใจที่ดีแต่ไม่มีความรู้ก็อาจจะอาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีแต่ความรู้แต่ใจไม่ดีเนะี่ยก็จะใช้ความรู้ในทางที่ไม่ดีนะเพราะนั้นการมีสติเนะี่ยจะทำให้เหมือนเรารู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจและตัว น, นั้นแหละมันจะเป็นตัวที่มันจะไปปรับ พฤติกรรมนปรับความเคยชินบางทีเราคิดว่าความเคยชินจดดิษนิสัยหรือเราเป็นอย่างนี้แหละนะที่จริงการที่เป็นอย่างนี้มันเป็นการที่มันก็สะสมมาแต่โดยในชาตินี้ก็ดีหรือว่าในแต่ลายชาติก็ดีที่มันสะสมมาจนเป็นจดิตนิสัย เช่นนี้แต่จริงจิตนิสัยมันก็คือสิ่งที่ที่สะสมกันมาเท่านั้นเนาะเราก็ดูว่าถ้าจริตนิสัยอะไรทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวเองนะหรือทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับคนอื่นเนะี่ยเราก็ควรพัฒนาเนาะคำว่าพัฒนาก็คือทําให้มันดีขึ้นนะแก้ไข ส, สิ่งที่ไม่ดีให้มันดี นะอะไรที่ควรแก้ก็แก้อะไรที่ควรเพิ่มก็เพิ่มนะอะไรที่ควรลดก็ลดเลยนยะนี่คือคําว่าพัฒนานะนะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ทําให้มันดีขึ้นนะมันก็เป็นคือทุกครั้งบางทีถ้าเราไปอ้างความเคยกินเราเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้นะบางทีเราก็ไม่รู้นะบางทีการกระทํานั้นๆ มันก็อาจจะเป็นเพราะเจตนาบริสุทธิ์ของเราก็มีแต่บางอย่างก็อาจจะเป็นการเคลือบแฝงตัวตนมานะนะควาว่าตัวตนคําว่ามานะเนี่ยมันเหมือนมันแสงมาถ้าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกแบบมันเป็นอัตลักษณ์เนาะนะมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นภาพลักษณ์ที่ที่เราต้องทําแบบนี้แหละนะนะ แต่ที่จริงมันคือเรียกว่าเป็นการสร้างเราสร้างเรื่องเราสร้างตัวตนของเราว่าเราต้องเป็นแบบนี้แหละนี่เราก็ต้องรู้ทันนะว่าไอ้ที่มันสร้างเนี่ยมันซึ้งกอบที่เราติดยึดเนี่หรือว่าเป็นความเคยชินที่มันเกิดขึ้นมานี่ก็อย่างที่ว่าก็ดูอะไรเกิดทุกข์เกิดโทษต่อตัวเราเอง หรือต่อคนอื่นนยเราก็ควรพิจารณาดูแก้ไขตรงนั้นนะเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีจะเรียกว่าเป็นการประพฤติพรมอาจารย์เนี่ยมันประพฤติสองส่วนนะนะคือส่วนภายนอกแล้วก็ส่วนภายใ น, นะ ส, นยส่วนภายนอกนะอย่างถ้าเราเป็นนักบวชแล้วนะหรือว่าเรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมแล้วนะ มันก็มีเรียกว่าพฤติกรรมเนาะที่จะแตกต่างจากคารวาสเนี่ยเพราะว่าพอเรามาเป็นนักบวชหรือว่าเรามาฟื้นพมาจารย์เนี่ยมันก็คือมันก็มีรูปแบบหรือมันก็มีข้อวัดที่เราจะแตกต่างจากคารวาสทําทําให้แตกต่างเพื่ออะไรนะไม่ใช่ทําเพื่อ จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อแบบให้คนอื่นเขาศรัทธาให้คนอื่นเขายกย่องนะไม่ใช่ตรงนั้นจุดมุ่งหมายรูปแบบต่างๆข้อวัดต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อขัดเกลอกิเลสทั้งนั้นนะให้เรามองมองในแง่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติน่ะของนักปวชหรือว่าของคนวัดเนี่ยคือเพื่อขัดเก่ากิเลสทั้งนั้นนะ อะไรที่มันเป็นความเคยชินที่เราทำตั้งแต่ยังไม่เข้าวัดนะอยังไม่ประพฤติทำเนี่ยบางทีมันก็นะโดนกระแสกิเลสเนานะมันมันหลอกล่อให้เป็นเช่นนั้นมาการว่าการมาอยู่วัดเนี่ยมันขัดทั้งภายนอกนะขัดทั้งภายนอกทั้งพฤติกรรมภายนอกนะ การเดินการกินการพูดการคุยการทำการทํางานนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนจากคารวาสที่อยู่ทางโลกเยอะนะตันะ้งแต่ตื่นจนทั้งรับหรือว่าพูดคุยทาการงานก็ดีถ้าเรานะสำรวมระวังตัวเองดีๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคาร์กคารหัสเยอะนะ แต่ถ้าบางคนอาจจะเป็นนักบวชหรือบางคนมาอยู่วัดแต่ถ้ายังใช้พฤติกรรมแบบแบบโลกรกแบบพลว่าอยู่มันก็เหมือนตัวอยู่นะแต่ใจอาจจะไม่ได้อยู่นะใจก็ยังอยู่แบบคลองเคยชินเดิมๆนะนะมันก็อาจจะไม่ต่างจากจากคนหัดเลยนะไม่ต่างจาก ก่อนหน้า น, น, นั้นเลยนะที่ที่เราไม่ได้มาบวชไม่ได้มามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเลยเนะีนะ่ยอันนั้นพฤติกรรมภายนอกก็ก็เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติที่จะช่วยนะช่วยทําให้มันเราเห็นตัวเองคัดเก่าตัวเองนะให้ดีงามขึ้นนี้ส่วนภายนอกเราก็เราก็ต้องดูก็ต้องทำนะํำส่วนภายในนะ่ะเป็นเรื่อง เรื่องการเห็นนะเห็นกิเลสเห็นจิตเห็นใจเนาะนะมันมันเป็นส่วนของสตินะที่จะเข้าไปทันเข้าไปทันความคิดเข้าไปทันกิเลสมันก็จะค่อยๆเข้าไปตัดเข้าไปเห็นนะอะไรที่เป็นกิเลสเแบบยากเนะะมันะก็อาจจะเห็นได้ก่อนเช่นความโกรธความไม่พอใจความหมงุดหงิดความขัดใจนะความแค้นความ เครียดเลยนะเนะพราะเนี้ยมันจะเป็นกิเลสที่ที่หยาบหยาบนะถ้าเราเห็นเนาะมันก็จะเกิดขึ้นนะถ้ามีสิ่งกระทบนกะระทบจากการงานรากระทบจากคําพูดกระทบจากการกระทําของคนอื่นนะมันก็จะทําให้อาจจะเกิดอารมณ์พวกนี้ขึ้นมานะเราก็เห็นมันนะว่ามันเกิดขึ้นของมัน นะถ้าเราดูมันนะไม่ไปเป็นกับมันนะมันก็จะกระทบแล้วก็หายกระทบแล้วก็หายเหมือนกับคลื่นที่กระทบฝั่งนะพอกระทบแล้วก็หายไปในหาดทรายนะอาจจะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาอีกนะแต่คลื่นพอกระทบฝั่งแล้วก็ความเป็นคลื่นมันก็หายนะโดยธรรมชาติความ คิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆก็เหมือนก็เหมือนกันนะเหมือนกับคลื่นที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติมันก็เหมือนนะมันเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเมื่อกระทบแล้วเมื่อสติรู้เข้าทันมันก็หายไปของมันนะแต่ถ้าเราไม่ทำตัวเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเหมือนกับคล้ายๆนะเราทำฝั่งให้มันห่างขึ้นไปเรื่อยเืนะ มหาสมุทรที่มันทะเลที่มันมีขึ้นมันก็ยาวเนะีกลัวจะหยุดกลัวจะนะดับลงมันก็นานเนะีการมีสติจะทําให้เหมือนคล้ายๆทำให้มันสั้นลงนะสั้นลงเรื่อยๆจนแต่ก่อนมันเหมือนเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรเนาะมันก็เกิดขึ้นเยอะเนะี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะต่อไปมันก็จะคล้ายๆเหมือนกับหนองน้ําหรือว่าสระน้ําเนาะ ที่มันไม่ใหญ่มากนะมันจะไม่ค่อยมีคลื่นเพราะว่าอะไรเพราะมันนิ่งเพราะว่ามันสงบนะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัฏิยาจากอย่างอื่นเยอะเหมือนกับยิ่งเราปฏิบัติทำไปเรื่อยนะบางทีมันก็จะเกิดสภาวะที่มันสงบที่มันนิ่งนะที่มันสบายนะมันก็จะอยู่แบบนั้นได้หรือ บาทีมันก็ไม่นิ่งหรอกแต่พอสติเราเร็วเห็นทันอารมณ์เห็นทันกิเลสเร็วเนี่ยมันก็ปรุงแต่งได้ไม่มากนะมันก็เดยไม่เกิดเป็นคลื่นที่ใหญ่โตอะไรขึ้นมาเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บนะที่มันเป็นหนักนะต่างๆมันก็ต้องเริ่มจากการเป็นเล็กๆน้อยๆก่อ น, นถ้ามันเป็นเล็กเป็นน้อยแล้วเรารักษาก่อนเราดูแลมันก่อน มันก็อาจจะหายได้เร็วอย่างเช่นแผลนะถ้าแผลตอนที่เป็นเล็กๆกเรารักษานะทันทีนะเราล้างแผลเราทำความสะอาดนะดีดีตั้งแต่ตอนแรกมันก็อาจจะหายนะอีกไม่นานก็หายแต่ถ้าเราดูแลไม่ดนะีหรือว่าไม่ได้ดูแลมันมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้ออาจจะเกิดการ เป็นนองเป็นอะไรมันก็นานกว่าจะหายนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจของเราถ้าถ้าเราปล่อยให้มันปรุงแต่งนะหลายเรื่องหลายราวเนี่ยมันก็มันก็ไม่อารมณ์มันก็ไม่หายสักนทะีเราก็ต้องฝึกเนี่ยให้มีสติให้มีสมาธนะิในการรู้เท่าทันสภาวะในจิตใจนะให้มันเร็วๆนะ ไอต้ตอนเนี้ยบางทีดูภายนอกคนอื่นเขาดูไม่ออกหรอกเขาดูไม่รู้นะบางทีนั่งนิ่งๆ น, นั่งสงบแต่จิตใจอาจจะไม่สงบก็ได้นะนอนนิ่งๆ น, นะดูเหมือนนิ่งไม่ไปก่อความวุ่นวายกับคนอื่นแต่ความคิดก็ก่อความวุ่นวายให้กับตัวเราเองนะนะทำให้เครียดทำให้โกรธทำให้นอนไม่ดับทำให้กินไม่อร่อยนะ ทำให้หงุดหงิดใจนะบางทีคนอื่นไม่รู้นะแต่เราเองเป็นทุกข์นะเรารู้ตัวไหมนะถ้าเรารู้ตัวเราก็จะทําอย่างใดนะอันนี้คือเราก็ต้องทํากิจทั้งสองส่วนนะกิจภายในกิจภายนอกนะกิจภายในก็คือการรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ในจิตใจนะเห็นมันนะอย่าไปเป็นมันนะดูมันไม่ใช่ไปอยู่กับมันนะ นะความคิดอารมณ์ต่างๆให้เห็นนะอย่าไปฟรุงต่อกับมันส่วนกิจนะภายนอกนะที่เป็นกายวาจาพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะบางอย่างมันก็อาจจะถ้าเราเอาไปเอาเหตุเอาผลมากนะมันก็จะมากเรื่องเหมือนกันนะนะแต่บางอย่างมันก็ที่จริงข้อวัดอะไรต่างๆเนี่ย มันมีที่มามีที่ไปอยู่นะมีที่มามีความเป็นมาทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะอย่างเช่นพระวินัยของพระนะนะมันก็มีที่มามีคนกระทําผิดมาก่อนนะทําผิดแล้วนะมีคนติเตือนมีคนทักท้วงนะพระพุทธองค์ก็เห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้เออมัน นอกจากมีคนติเตือนมีคนทักท้วงแล้วก็อาจจะทําให้ถ้าทํำบ่อยๆก็จะเป็นการเสื่อมในธรรมนะที่ตั้งเคยตั้งใจประพฤติทธรรมดีๆถ้าไปทําแบบนี้นผิดแล้วผิดซ้ํำบ่อยๆเนี่ยคุณธรรมนจิตใจมันก็จะต่ําลงเรื่อยๆที่เคยตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปพรหมจรรย์ก็จะขาดนก็จะพ่องนะ เหมือนที่เราได้สวด น, นะพรห ม, มจันยร์อันใดที่เราประพฤตินะแล้วก็ระ ล, ลึกด้วยความเศร้าหมองเราด้วยนะ่ะก็คือกิจกิจต่อ น, นั้นก็เป็นประโยชน์น้อยนะ่ะหรือพฤติกรรมอันใดที่เราประพฤติด้วยความย่อหย่อนด้วยนะรนะ ล, ลึกด้วยความเศร้าหมองนะการงานอันใดที่ทําด้วยความย่อหย่อนในตอนนีะนะนะ้คือการงานภายนอกก็ดี จิตการกระทําก็ดีหรือว่าการพรมอาจารย์ที่เราประพฤติก็ดีถ้าเราทนะําแล้วมันเศร้าหมองมันย่อหย่อนมันระลึกแล้วเกิดความละอายใจเนะ น, นี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดมันจะไม่ค่อยจะทําให้เกิดสมาธิเกิดสติเพราะว่ามันระลึกแล้วก็ละอายใจตัวเองหรือบางทีก็กลัวคนอื่นเขารู้เขาเห็นเขาทราบนะจิตก็ไม่ค่อยสงบจิตก็ไม่ปลอดปร่งโลงสบายเนาะ แต่ถ้าพฤติกรรมใดนะมันเป็นไปในแนวทางที่ระลึกแล้วเกิดความสุขเกิดความสบายใจนะไม่เกิดความละอายใจไม่กลัวใครจะมาว่าจะมาตำหนิอะไรเนี่ยมันก็จะสบายใจนนี้วังทีข้อวัดนะศีลต่างๆเนี่ยมันก็มีท th an <the okay ี่มามีที่ไปนะมันถึงเกิดเกิดเป็นข้อบัญญัติต่างน่ แต่ก่อนผมก็คิดว่านี่คิดก็เองตอนแรกๆนะคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกลูกพระมหากษัตริย์เนาะอยู่ในวังก็คงแบบมีมีรักเบียดมีพิธีดีตองมอีคล้ายๆมารยาทแบบผู้ดีนะมารยาทแบบคนในวังนะคิดๆว่าสมัยก่อนคิดว่า พอท่านเติบโตมาแบบนั้นนะ่ะพอท่านมามาบวชพอท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศัตดานะท่านก็เลยเอาเอาข้อวัดข้ะปฏิบัติแบบที่ยืนเคยอยู่ในวังเอามาใช้กับกับพระนะนั่นคือความคิดนะแต่จริงพอมาศึกษาพอมาอ่านพอมาฟังครูบาอาจารย์ซออึ่งเข้าใจว่าที่จริงมันไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าท่านเอารูปแบบแบบ แบบกษัตริย์แบบในวังมาใช้กับพระไม่ใชนะ่ที่จริงตัวมสักประมาณถ้าจะไม่ผิดสิบเอ็ดปีได้นะหลังจากที่ตัดสุรูแล้วท่านสอนธรรมะแล้วสิบเอ็ดปีแรกเนี่ยังไม่มียังไม่มีศิษยาบทยังไม่มีพระบีในเลยนะนะท่านให้ผู้ที่บวชระลึกเองนะระลึกเองว่ากิจอันใดที่ควรทำไม่ควรทำ หรือท่านก็บอกเพียงแค่ย่อๆในในส่วนที่เป็นโอวาทปาติโมกนะนะที่ท่านก็บอกย่อ ๆ, ๆนะมันก็ไม่ได้บอกแบบลงรายละเอียดนะแต่รายละเอียดนะมันค่อยๆมีหลังจาก 11, สิบเอ็ดพรรษาขึ้นมาแล้วก็จนทั้งถึงภรษาที่สี่สิบห้านะตอนที่ท่านปรินิพพา น, นมันก็ค่อยคือคล้ายๆว่าตอ น, น, นแรกที่ ที่ท่านเผยแพ่ธรรมะนะคนที่มาบวชคนที่มาศึกษาธรรมเขาก็คล้ายๆจะเรียกว่ามีจิตจะเรียกว่าอะไรสามัญสำนึกเนาะสามัญสำนึกรู้ห ร, รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทำเนะี่ยเขไม่ต้องคอยให้มีแบบเป็นกติกาเป็นระเบียบเป็นวินัยแบบเป็นตายตัวแต่คล้ายๆถ้ามีจิตสำนึกแล้วมันก็จะรู้ตัวเตือนตัวเองนะ อันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรทําำแต่พอหมู่สงมากขึ้นนะมีทั้งคนตั้งใจมีคนไม่ตั้งใจนะระเบียบข้อวัดมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อคล้ายๆเหมือนป้องกันนะป้องกันความเสื่อมความเสียหายต่อทั้งที่จริงต่อทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ต่อส่วนรวมด้วยนะอตัวเองสมมุติอย่างข่าวขาวพระ นะทำผิดศีลนะถ้าต้องอาบัตหนักๆจริงๆเนะี่ยก็ตัวเองก็เสื่อมนะแล้วก็ทำให้คณะสงก็เสื่อมถนะึงเสื่อมในชื่อเสียงเสื่อมในความหดหู่เนาะเพราะว่ามันเห็นแล้วก็หดหู่ได้ยินขา่าวแล้วก็หดหูนะ่แต่จริงธรรมะไม่ได้เสื่อมออนะแต่มันทำให้ ตัวบุคคลหรือต่อคณะสงฆ์มัเสื่อมนะข้อวัดพระธรรมวินัยก็เป็นตัวป้องกันแบบนั้นนะนั้นเราเองก็ต้องมองให้เห็นนะเห็นประโยชน์ประโยชน์ในการประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชหรือเราเป็นพราหมณ์วาด์นะแต่ประโยชน์ประพฤติพรหมจรรย์จริงคือมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแม้บางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทนะํานำแต่ถ้าเราเนี่ย ถ้าเราดูนะครูบาอาจารย์แนวทางต่างๆทำไมท่านถึงทาแบบนั้นนะแม้มาถทีไม่เข้าใจก็ลองทำไปก่อนนะลองทำไปก่อนความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นคนว่าง่ายความเป็นคนที่สารวมระวังนะี่นะมันจะเกิดประโยชน์กับเราอย่างไรนะให้เราลองทำเมื่อเราลองทำแล้วเราก็จะรู้นะ เราก็จะเข้าใจเองนะแต่ถ้าเราไม่ลองทำมันก็ไม่รู้สักทีหรอกเนะพราะเราจะใช้ความคิดไปคิดนะใช้ความเห็นของเราที่ยังไม่เคยไปทำมันก็จะไม่เข้าใจนะนะแต่ลองทำดูมันเกิดอะไรขึ้นในจิตในใจเราก็ดูไปด้วยนะเกิดความขัดใจเกิดความหมงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจหรือเปล่าก็ดูมันนะ บางทีมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะนะพฤติกรรมทางกายวาจาหรือว่าใจบางทีมันก็ต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านเพิ่ง อ, อาจจะเกิดความอึดอัดเกิดความขัดใจเกิดความไม่หุดหงิดนะอะไรนะมันก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็ถ้าเราเปลี่ยนผ่านแล้วมันกะ็มันก็ง่ายๆนะมันก็เออทาก็ไม่เห็นเป็นไรเลย น, นะแต่ก่อน แต่ก่อนผมก็มีคำถามเยอะนะตอนบวชใหม่ๆหม่คำถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างเช่นปง ผ, ผมทำไมต้องปงกันวันพระนะฮะปงวันอื่นไม่ได้หรอเราก็ปล่อยให้ผมยาวเป็นเดือนนะไม่ยอมปงเพราะว่านะคิดว่าปงวันไหนก็ได้ที่อยากปงเลยนะก็มันกอ็อาจจะไม่มีคนว่าไม่มีคนเตือนแต่ก็ แต่เราก็แบบเป็นเพศใช้ความคิดของเราเองนะชอบไม่ค่อยอยากจะศึกษาก็คิดว่าอย่างนี้ก็ได้อะไรเนี่ยก็มีก็แต่พอทำจริงแมันก็พอเราทำจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ทำตามหมู่ตามคณะมันก็เรียบร้อยดีแต่ถ้าเราไปทำแหกออกไปมันก็ถ้าไม่ได้ผิดพระวินัยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีมันก็ เกิดความไม่พร้อมเพียงกันเฉยๆอะไรปนระมาณนั้นบางทีมันก็มีคำถามเยอะแยะนะเพราะว่าการศึกษาทางโลกหรือว่าประสบการณ์ชีวิตแบบโลกโลของเราเนะี่ยมันก็มัน ก, มนก็มีทั้งส่วนที่ดีนะแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีมันปะปนกันนะนะบางทีอย่างการศึกษาการ เ, าเรียนการทำงานแนละ้วก็ทำให้เราเกิดความขยันนะ ถ้าเราประสบความสําเร็จทั้งโลกก็อย่างน้อยเราก็ต้องเป็นคนที่ขยันหรือฉลาดในทางโลกพอสมควรเนี่ยถึงจะอยู่กับโลกนี้ได้นะแต่บางทีเนี่ยความฉลาดของเรามันก็อาจจะหลอกเราก็ได้นะ่นะมันทําให้เกิดเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นมานะเป็นทิฏฐินะขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีเนี่ยบางที พฤติกรรมพวกนี้ยมันก็มันติดติดมาเนาะแต่ติดมาแล้วมันล้างได้นะเราเอาการศึกษาการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยมามาชําระล้างนะสิ่งตกกระปบนะออกไปจากจิตใจเนาะค่อยค่อยทำค่อยค่อยศึกษาไปเราก็จะเกิดความเข้าใจเข้าใจทั้งตัวเองมากขึ้นนะเข้าใจทั้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติมากขึ้นนะ มันไม่ใช่เข้าใจเนะ่ยเสียทีเดียวหรือว่าการเชื่อไม่ใช่แบบเชื่อแบบไม่มีคำถามหรอกบางทีมันก็มีคำถามในใจอยู่นะยังไม่ยอมรับยังลังเลยังขัดอยู่แต่พอเราศึกษาธรรมะไปเรื่อยเราจะเกิดความเข้าใจคือความทราบซึ้งอ้อทำไมพระเจ้าที่แต่ก่อนคิดทำไมท่านบัญญัติแบบนี้ท่านให้ทาแบบนี้ ต่อไปจากคำถามทำไมมันจะเกิดความเข้าใจเองอ ม, มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะ ม, มันจะรู้สึกได้เองว่ามันดีอย่างไรกับตัวเราเองหรือมันดีอย่างไรต่อคนอื่นนะมันจะเข้าใจนะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าท่านบัญญัตนะิท่านบอกเราไว้อันนี้คือความนังเลสงกราความไม่แน่ใจมันจะค่อยๆ ค, ค, ค, ค, คลายไปนะ มันก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะาอะไรเพราะเราเห็นผลกับตัวเราเองนะหรือว่าเราเข้าใจเหตุผลเหตุปัจจัยที่ท่านบัญญัติแบบนั้นไว้เนะี่ยนี่คือกานประพฤติของเราเนาะไม่ว่าจะอยู่ในพรรษาอยู่นอกพรรษาจะอยู่กับคนหมู่มากหรืออยู่กับคนหมู่น้อยนะนะ อยู่กับการงานหรือว่าอยู่กับตัวเองก็ดีก็ให้เราเราก็ยังมีกิจที่ต้องทําอยู่เสมอนะนะกิจในการนะฝึกหัดนะกายวาจาใจนี่แหละนะให้มันเป็นให้มันไม่เป็นทุกข์นะให้มันไม่เป็นโทษนะให้มันเป็นไปแต่เฉพาะในทางที่เจริญในทางที่ดีนะ ให้มันเห็นนะแม้เป็นความไม่ดีก็ให้เห็นให้แก้ไขให้พัฒนานะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องทำเ น, ะนาะนะก็ฝากไว้นะในเช้าวันนี้นะ